เทศโอบรมพระวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525เทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานะสัมปันโนบันทึกไว้เทศนิพานของคนมีกิเลสคือเวลาหลับสนิทพอเทียบกันได้บ้าง ความหวังของกิเลสพาให้ล้มเหลวกิเลสจูงสัตว์โลกมันให้หลับตาไม่ให้ลืมตากลัวเราจะมองหน้ามันรู้เรื่องคนหลอกของมันขึ้นชื่อว่ากลของกิเลสแล้วไม่เคยเป็นเดน่นต้องไหม่เอี่ยมเสมอธาตุในร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่กิเลสกิเลสเข้าแทรก เข้าควบคุมต่างหาเชื่อจอมประราดไม่ล่มจมนี่ก็ดีฟังและอัดได้ทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติการดูด้วยีิเลกกับการดูด้วยธรรม สำหรับใจผู้ทรงไว้ได้ทั้งกิเลสและธรรมแล้วการอยู่ด้วยกิเลสสำหรับนักปฏิบัติเรากับการอยู่ด้วยธรรม คุณค่าของใจถ้าต่างกันอยู่มากนี่เรีกเป็นสิ่งที่ทำใจให้ลดคุณค่าในวงปฏิบัติแต่ทาเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าให้เด่นยิ่งขึ้นคำว่ำาธรก็ คือความพยายามเริ่มมาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติแล้วก็เป็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญานี่คือเครื่องประดับใจให้มีคุณค่าถ้าไม่มีสิ่งนลอานี่ มีเฉพาะกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติปิดบังหมโอดโดยปกติแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าแต่อย่างใดนอกจากลดคุณค่าของตัวเองลงไป การปฏิบัติจึงต้องมีการระมัดระวังตั้งท่าตั้งทางอยู่ภายในจิตเสมอเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบต่ไปนอนใจหรือว่าประมาทเด่นเลิกเพลอจิตกัตังเที่ยวเถ๋อเที่ยวเตรอเหมือนเขาเล่นน่เกือแล้วขอนี่ไม่ได้ องเสียท่าเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็าตายมีเรื่องของี่เลสยิ่งเป็นเรื่องที่คล่องแคล่วว่องไวไม่มีอะไรจะเกินอยู่แล้วและไม่มีสถานที่อยู่ด้วยอยู่กับใจของสัตว์โลกจึงทำใจสัตว์โลกให้มื้นเย็นเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นแหละยซิ่งไปซิ่งมาหาจุดที่หมายไม่ได้ไปออกนอกวงเ็าก็เตะเข้ามาเข้าในวงแล้วก็เตะออกนอกวงก็เตะเข้ามาอยู่เช่นนั้นปีจัยที่อยู่ใต้อำนาจของพิเรศประเภทต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่เลเออแตกพุ่นบอลไม่รู้จัไม่รู้สึกว่ามีความเียบปวดแสบร้อนเพราะการถูกเตะสำหรับใจนี้เป็นตัวรู้อยู่แล้วจิงต้องรับรู้และรับทุกจากสิ่งสิ่งกระทบกระเทือนทั้งออกจากภายในไปสู่ภายนอกนำอารมณ์ภายนอกเข้ามามีเยวัตร แต่เข้าเตะออกเสียงนั้นหาความสงบเย็นไม่ได้เว้นแต่หลับแต่เวลาหลับนั่นก็เป็นเวลาพักวิริยก็พักธาตุขันก็ได้พักใจเราเพงพอสบายในขณะที่หลับสนิทนั้น การก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสถานที่อะไรทั้งมวลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะว่าสิ่งภายนอกคือทรัพย์มบัติเงินทองเพื่อนฟูง้งสิ่งน้เขาอยู่ครอบครัวยอติเลยงกับสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแองเด็กแดงสมบัติปรีวันมีจำนวนมากน้อยอมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยอย หากจะพูดพอพูดเพียบได้บ้างก็นิพพานของคนมีกิเลสก็เวลาดับะหลับสนิทนั่นแหละตอนนั้นไม่มีอะไรไหวติงเลยขึ้นชี่ววาสมมติแม้อวิชชาที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจหรือฝังแน่นภายในใจก็ไม่แสดงตัว ันเราถ้าลงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครจะไปห่วงใยในสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิด่องถูกเพราะความกระเพื่อมออกมาเป็นเรื่องความคิดทั้งนั้นคิดถึงเรื่องอะไรก็าตามถึงการคิดถึงเรื่องเว ล, เวลาการสถานที่วัตถุสิ่งของเพื่อนฝูงในบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องเขย่ากอกวนจิตใจให้รับความลำบา เมื่อเทียบกันกับเวลาหลับสนิดแล้วใครไม่มาสนใจกับสินน่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งก่อกวัญขณะที่หลับจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตา่างไม่มีความรู้สึกว่าเร็วหรือช้าเพราะคำว่าเร็วคำว่าช้านี้เป็นเรื่องของสมมุติคำว่าสุขว่าทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสมมุติตอนนั้นจิตจะไม่มารับทราบ ความสุขความทุกข์อย่างหยาบเหล่า น, นี้เลยแต่จะเป็นธรรมชาติของจิตอยู่โดยปกติไม่มีความห่วงใยผวกพันไม่สำคัญมั่นหมายอะไรทั้งสิ้นหล้อแต่ความรู้ที่ละเอียดซึ่งไม่แสดงอากัากบกิริยาใดๆเลยยึงพูดไม่ออกพูดไม่นด้ ในขณะที่หลับนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องนีอจะเรียกว่านิพพานของปุถุชนพอจะสัมผัสได้ในขณะที่หลับสนิทไม่ได้หมายถึงการหลับแล้วละมือเพ้อฝันอะไรอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เป็นการหลับสนิท ธาตไม่ได้พักตัวสนิทกิตใจ้ก็ไม่ได้พักตัวสนิการหลับสนิทนั่นแหละเป็นการที่ปล่อยทั้งหมดไม่ว่าใครจะเป็นจะตายไม่ว่าใครจะสุขจะทุกข์จะหวาจะร้อนรือหนาวมันขึ้นชื่อว่าสมมูรณ์แล้วไม่เกี่ยวกับความหลับสนิทนั่นเลยเป็นธรรมชาติของตนโด ย, โดยลําพัง เกล็ดกระเพื่ต่างๆเขาไม่แสดงตัวเรียกว่าเล็ก้อนหลับพักตัวเวลานั้นพอจากนั้นมาแล้วก็ดีดก็ดีดกระทบกระเทือนนั้นนี้อยู่ตลอดหากไม่มีการหลับนอนกันบ้างเลยนี่มนุษย์เรานี่จะทนไม่ไหวมีการหลับการนอ น, นจิงพอ พักผ่อนสะดวกสบายมีที่ตรงที่วางบ้างเราลองเทียบดูขณะที่หลับสนิทนั้นมีใครเสียดายอะไรบ้างจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตางก็ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งความหลับอยู่ด้วยดีไม่มีอะไรยึดยับขึ้นมา ให้ว่าช้าหรือเร็วให้ว่าสุขหรือทุกข์ว่ากังวลวุ่นวายหรือเพื่อเคินเศร้าโศกอะไรไม่มีเลยในความหลับเราะโลกหลับได้ด้วยกันรู้ได้ด้วยกันแต่จะพูดรูปลักษณะของคำหลับสนิทนั้นพูดไม่พูดไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นจะปฏิเสธความหลับสนิทนั้น ปฏิเสษไม่ได้ความหลับสนิตนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พิเศษจากความเป็นอยู่ทั้งหลายของจิตนี่เราพูดถึงความสนิทของใจทั้งที่มีพิเลสอยู่ ก็มีความสนิดละเอียดได้ขนาดนั้นในการทำกิเลสให้สิ้นสูญลงไปจากใจจงไม่มีเหลือเลยดังใจพระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างไ ร, รหน้าที่จิต ด, ดับสนิททั้งที่มีกิเลสก็เป็นสิ่งที่ละเอียด มันถึงกับเราพูดไม่ได้บางครั้งที่เรากหลับสนิทไปรู้รสชาติแห่งความหลับสนิทอยู่ด้วยกันทุกคนก็จะนำมาพูดหรือบางบรรยายนั้นบรรยายไม่ได้ปัญญาได้ก็เพียงที่แค่ที่พูดมานี้เท่านั้นคือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรการสถานที่วัตถุสิ่งของเงินทองอยากมิตเปื่อนผูงซึ่งสิ่งที่และสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันมาม า, มากน้อย ดับไปหมดในขณะนั้นตอยหมดล้าพูดด้วยเพียงแค่นั้นถจะพูดธรรมชาติที่ปล่อยนั้น่ะพูดไม่ถูกที่สนิทในตัวเองพูดไม่ถูกจิตที่ขึ้นจากที่เหลืออาชวันแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไปถ้าพูดละเอียดก็ ็นสุดละเอียดแล้วเพราะสิ่งสมมุติไม่มีอยู่ในนั้นเลยหมดไปจริงๆรือวิชาไม่ได้ว่าเพียงว่านอนเหมือนสุบตัวเหมือนหลับกกันองแล้วหมดไปเลยจริงๆเป็นอย่างไรที่แสดงความ หยายาบออกมากโดยประการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของทิตเด็กต่างหากนะเป็นจิตแท้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในขณะที่เราบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยอาการต่างๆจะต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นจิตฟุ้งซ่านลำพานจิตไม่เคยสงบตัวเลยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งหนึ่ง องกิเลสทางานให้กระจายออกทางกระแสจิตคิดไปในแงน่ต่างๆแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาพอาจิตสงบตัวเข้าไปนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งอีกเรื่องอาการของจิตสงบตัวเข้าไปแค่นั้นแค่นั้นออกทางด้านปัญญาเป็นการบุกเบิกก็เป็นอาการไปเรื่อยๆจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งปกคลุมห่อตัวเอง มันเปลี่ยนของมันด้วยอาการเหล่านี้เนะี่ยไม่ใช่จิตจะแท้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนั่นไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปอาการที่เกี่ยวข้องกับจิตเช่นเดียวกับเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านี่เองเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มใช้ใช้สอยอนะตัวเราจริงจริงก็เขีไม่ได้เปลี่ยนไปตามเสื้อตามผ้ากางเกงี่ยนอะไร ในเนี้การที่จะพูดถึงบรรยายเรื่องความบือสุทถึงบรรยายไม่ถูกรู้อยู่เพียงไรก็บรรยายไม่ถูกเช่นเดียวกับความหลับสนิเนี่ยเป็นอย่างไรบรรยายไม่ถูกยงขั้นสมมุติการหลับสนิทนี่ก็เป็นนั่งอยู่ในวงสมมติเรายัางบรรยายไม่ถูกไอ้จิตที่หลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งมวลจะไปบรรยายได้ถูกอย่างไร ทั้งที่รู้อยู่ทรงอยู่เป็นด้วยความมือสุดนั่นแหละนั้นก็พูดไม่ถูกถึงจะพูดไม่ได้ก็ตามแต่ธรรมชาตินั่นก็คือธรรมชาติที่พอตัวแล้วหายสงสัยใททุกสิ่ทุกอย่างวดตรงลงหมดแล้วขึ้นชอว่าปัญหาเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นจากที่เหลื ทรรมจริงต้องกลายเป็นปัญหาไปตามปัญหาของธรรมก็คือปัญหาแก้ที่เหล็กอุบายของธรรมแก้ปัญหาอีกเรื่องของที่เหล็ดนั่นแหละพอสิงนั้นหลุดลอยไปหมดแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนี่เราจะจริงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกต่างจะอุบายวิธีการพื้นๆไปโดยลําดับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการภาวนามีจะอุบายวิธีการปราบกิเลสไปโดยลําดับลําดาหับในการให้ทานมันทำไมถึงต้องให้ทานอมิมีอะไรที่เป็นค่าสิทต่อทานอย่นั้น ธรรมทานการสงเคราะห์ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งแล้วนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องปราบปรามความต้นหนนิยี่เหนียวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคู่กันกับความโลภมากไม่มีเมืองพอความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบโคดกงรีดไถ ล, ว, ลวันนี้จะเป็นเรื่องของเกลนี้ทั้งหมด พานะการเสียสละจึงเป็นเครื่องปราบวิเลศเหล่านี้ไปโดยลําดับจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาสุดท้ายก็สละได้หมดมเราพูดอย่างหยาบหรือว่าพูดอย่างย่ออุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปราบวิเลศทั้งหมดนี่มันมีหลายประเพณ ทำที่กล่าวมาที่ว่าบรรยายไม่ได้นี่ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงที่รูเ้เห็นเห็นอยู่เวลานี้ขอให้ทุกท่านตรงทำความเข้าใจกับความรู้นี้ว่าสามารถทรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงธรรมก็ได้ส่วนกิเลสนั่นรับรองกันมาแล้วทั้งเป็นทั้งตายทั้งแทบเป็นแทบตายความทุกข์มากทุกน้อยไม่ เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะผู้นี้เป็นผู้รับเองรู้เองเห็นเองส่วนธรรมนั้นความสุขของธรรมในขั้นต่างๆนั้นเรายังไม่สามารถเรายังไม่เคยรับรู้และยังไม่เคยส่งมืวอเห็นนี้จิตจึงยังไม่เห็นคุณค่าเพราะยังไม่ปรากฏต่อเมื่อได้ปรากฏ ขึ้นกับใจแล้วย่อมเกิดความเชื่อตามความจริงานนั้นแล้วตามรสชาติแห่งธรรมที่ปรากฏตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัติงานก็เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อให้เกิดความอยากได้ให้เกิดความอุตสาห์พยายามให้เกิดความภาคเพียรเพื่อจะยังทำหนนั้นให้คงเส้นคงวาและเจริญ หาวนขึ้นภายในยใจิตใจหรือรุ่งเรืองขึ้นภายในยใจิตใจโดยลํำดับมีรถแห่งธรรมก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเปลี่ยนอยู่ภายในจิตนั่นแหละเมื่อความเชื่อก็อนหนักแน่นเข้าไปโดยลําดับเมื่อความเชื่อฝังแน่นลงไปในธรรมทั้งหลายแล้วความภาคเพียรความมุสาพยายามก็เป็นสิ่งที่จะตามกันไป เป็นสิที่ฝังแน่นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบความเพียรด้วยความเห็นโทษกิเลสทั้งหลายหรือกองทุกในวัฏฏานี้กับความเห็นคุณค่าแห่งธรรมขึ่งประจับอุปาณาจิตใจนั้นท่านจึงมีกําลังกล้าในเรื่องทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่จะยังท่านให้ก้าวพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิ จากกองทุกทั้งหลายการปฏิบัติเคยพูดเสมอสติให้ถือเป็นเครื่องมือประจำตนอย่าได้ปล่อยได้วางไม่ว่าจะทำกิจการงานใดสติให้ฝึกหรือ ฝึกตัวว่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นพื้นของสติฝึกไปตั้งแต่ บ, บัดนี้ตั้งแต่วิธีการที่กล่า้ันโดยลำหนักอยากระไปแบบเพอเล้อต่างๆอันเป็นนิสัยของกิเลสไม่ใช่นิสัยของผู้ฝึกอบรมธรรมมีสติสตาง คำบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมอยู่กับสิ่งใดก็ให้อยู่ด้วยสติสติเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวที่จะฟื้นทำทั้งหลายขึ้นมาให้โดยชมไม่นอกเหนือจากสตินี้ไปได้เลยนั่นก็ปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสาคัญมากในวงความเพียรของนักปฏิบัติทั้งหลาย ความทุกข์ทุกเพื่อสุขมีจุดที่หมายไม่ไร้ค่าไม่ขาดทุนฉุนดอกไปเปล่าเปล่าเหมือนทุกทั้งหลายที่เป็นไปตามหน้าของยุเล็พาให้ทุกทุกเพราะความเพียนนี่เป็นทุกที่มีหวังเป็นทุกที่มี อกมีเหตุมีเหตุมีผลเป็นทุกข์ที่มีหลักเตือนไม่ใช่ทุกข์แบบลอยหลงทุกข์หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาการหาวิลั่นเวลาไม่ได้หรือทุกข์แบบวิเลศพาให้ทุกข์นั้นใครก็ทุกข์ด้วยกันทั้งโลกแต่ไม่มีความจบสิ้งงนลงได้ด้วยความทุกข์ต่างๆซึ่งวิเลศนั้นผิดขึ้นมาเลย หลหบการทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อจะแก่กิเลสนั้นมีหนักมีเบาและมีสิ้นสุดยุติลงไปได้ขณะที่กิเลสมันหนักมันหนาก็ต้องต่อสู้กันหรือว่าแบกบฟาดเหวี่ยงกันกับกิเลสด้วยกำลังอย่างดุเดือวผ่าโผตบางครับการถึงเป็นถึงอายก็ไม่บางครับอยู่ภายในใจนั้น <Jub ilee> บางครั้งยังต้องเอาร่างกายเป็นเครื่องมืออีกเช่นเดินนานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนานๆก็ใช้ร่างกายด้วยนั่งภาวนานานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมืออดอาหารหลายๆวันทีวันก็ตามร้วนแน่แต่เอา ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อสู้กับที่เละทั้งอย่างก็มีใจโดยลำพังทำงานต่อสู้กับที่เละไม่อาศัยกายก็ได้และทุกทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับความเพียรเฉพาะอย่างนี้ทางร่างกาย ก็มีจุดหมายปลายทางที่จะยุสิ้นสุดยุติกันได้ทุกทางใจที่ต่อสู้กับวิเลสความมีเวลาเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงได้และทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเปลี่ยนทางกายก็ตามทางใจก็ตามมีเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนตัวไปได้โดยลำดับลดาดเตจนกระทั่งถึง การสิ้นสุดดุติลงไปในทางความเพียรเพราะกิเลสสิ้นสุดไปหมดแล้วนี่หลยเรียกว่ามีขอบมีเขตมีจุดหมายปลายทางไม่ได้เป็นทุกข์อยู่แบบลอยลงหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ทุกข์เราเป็นนักปฏิบัติจึงควรนำมาเทียบเทียงกันแล้วยอมทุกข์เพราะความเพียร ไม่มีความยึดหนาลาใจเพราะความยึดหนาลาใจนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสคอยสอดแทรกในวงความเปลี่ยนของเราต่างหากพากันข่าใจเอาไว้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันเสก่อนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแทรกแซงธรรมสวมรอยธรรม ผู้ปฏิมาทั้งหายจิงย่าหย่อนอ่อนกำลังและถอยหลังไปเลื่อยจนกระทั่งถึงล้มละลายหรือล้มเหลวไปก็พเพราะเชื่อกลมงาของจิเหล็ที่แทกที่แซงเข้ามานี่แหละเราจะเห็นได้ชัดในเวลาจิตมีหลักมีเกณฑด้วยอัดด้วยธรรมความทุกข์ ลำบากมากน้อยเพียงไรใจจะไม่มาสนใจกับเรื่องทุกข์เหล่านี้เลยนอกจากสนใจต่อเหตุต่อผลต่ออดต่อธรรมต่อกิเลสประเภทใดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลียนในแง่ต่างๆที่จะห้ามหันกันลงไปโดยไถ่เดียวเท่านั้นไม่มาคำหนึ่งถึงเรื่องความทุกข์ความลาบากนี่เลยนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชาัดเจน เวลาพอผ่านพ้นถึงนั้นกลมายาของพิเดชขั้นนั้นมาได้แล้วความบิจนาละอาใจต่อความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้น้อยลงไปโดยดําดับดั่มจนถึงกับไม่มีนอกจากนั้นยังได้ล้างเอาไว้น่ะไม่ล้างมันไม่มเกินประมาณการประกอบความเพียรกล้าเกินไปก็ผิดเพีงแต่ว่ากล้าน่กาเกินไปน่ะ กล้าธรรมดาไม่เป็นไรเกินไปนี่ผิดกับหลักมัตถิมาที่ควรจะให้พอเหมาะเด็ดขนาดไหนก็เด็กแต่ถึงววลาที่จะลดหย่อนผ่อนผันกันตามสถานการณ์ก็ต้องผ่อนผันกันไปด้วยสติปัญญาของตัวเองเราจะเห็นได้ชัดว่าความทุกนี้ไม่เป็นอุปสรรค ไม่มากีดขวางทางดำเนินเพื่อตอดถอนตนเองเลยมีแต่ความก็หยิมความดูดดื่มในความเพียนทั้งหลายแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้ชมเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดกำลังใจขึ้นมากปรากฏผลขึ้นมาเพียงไรก็เป็นคุณค่าที่จะให้ถึงใจถึงใจเดินหนับหนาหนาก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มกำลังใจขึ้น นั่นแหละที่ว่าการตระกอบความเพียรกล้าไม่มีคำว่าท้อถอยเป็นอย่างนี้ตอนที่ทายังไม่แท้ฝืงใจมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับนั้นพอกระดิกลงไปที่จะออกสู่ธรรมนั้ น, นถูกขี่ถูกขวางถูกคัดค้านต้านทานแต่เราไม่รู้กลัวายของมันก็ยอมมันแบบหลับสนิทหลับสนิดไปด้วยกันทั้งนั้น พอเมื่อได้รู้คนอุบายนี้แล้วมันแสดงออกท่าไหนรู้หมดด้วยเหตุนี้ถึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอให้ได้รู้ล่วงหน้าเาไว้ตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มันกล่อมไปแล้วจนไม่มีเวลาตื่นนี่เลยนั้นย่อมเป็นคาสิทธกับธรรมอยู่ตลอดเวลาตั้งไหนแต่ไรมาไม่เคยคําว่าที่นี่เป็นผู้ส่งเสริมธรรม นอกจากคอยเหยียบย่ำทำลายทำแล้วคำว่ากิเลกกับธรรมก็อยู่ที่ใจของบุคคลคนเดียวกันจึงต้องได้ต่อสู้กับมันอยู่เสมออันนี้มีอำนาจมากหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหมดทั้งจิตใจของเราอาการทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแสดงรวดลายเสียทั้งหมดเมื่อเรายังไม่สามารถจะรู้ คนมายาการแสดงออกในเนี่ยต่างๆของมันจะต้องเป็นเรื่องของมันอย่างออกหน้าออกตานี่แหละตอนนี้แหะตอนลําบากในการประกอบความภาพเขียนเดินจงกรมก็ขาก่อนไปเพราะที่เหลสมันเหยียบออกขาอ่อนเท้าอ่อนจิตใจก็อ่อนเปียกไปถ้าจะกล้าไปสู่ธรรมถูกี่เหลสมันเหยียบ จิตใจเขาอ่อนเปรียกไปตามศรัทธาเิรยะสติสมาธิปัญญาไม่ทราบมาตกไปทวีบไหนอเหลือแต่ความเคลิ้มหลับไปตามกิเลสนัณณ์การยอมกับกิเลสเป็นไปตามกิเลสไม่มีความอิ่มความพ อ, อทีนี้กิเลสมันแข็งไปอย่างหนึ่ง เราก็ไม่รู้เพราะวิชาไม่ทันมันความรู้ไม่ทันมันมันให้เราได้บึกบืนไปตามมันขยันขันแข็งมีกำลังใจไปตามมันเราก็ไม่รู้กำมีกำลังใจไปตามกิเลสก่อข้อการเสี่ยมสอนของกิเลสกิเลสแทรกลงแทรกความหวังลงแทรกภาพมโนภาพลงไป ไห้ขาดหน้าขาดหลังขาดอดีตขาดนาขนดาสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วควรเสียใจก็ไม่มีความอิ่มพอคิดไปเมื่อไหร่เสียใจเมื่อนั้นแล้วไม่เคยคำานึงเลยว่าสิ่งที่คิดและเสียใจนี้เคยได้รับความกตกุกตัวทวนจากมันมาแล้วน่าจะเห็นโทษน่าจะเบื่อห น, น่ายน่าจะคลายความติดทันกับมันจะบ้างไม่มี มันวาภาพขึ้นตรงไหนเป็นติดทุ ก, ท, กทุกภาพทุ ก, ท, กทุกขณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตหวังจะเป็นอย่างนั้นหวังจะเป็นอย่างนี้ความหวังสร้างไว้แต่ตพาฒตาขื้นแต่ไม่ใช่ความหวังที่จะเป็นไปในขอบในเขตในเหตุในผลเป็นที่ผืนใจได้ความหวังนั้นผลสุดท้ายก็หวังไปหาความร่มเหลวนนั่นเอง นี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มีความหวังในธรรมไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันมากทีเดียวมีระยะที่กิเลสมีอำนาจมันสร้างจะขวางแต่หนามปิดกั้นทางเดินเราไว้หมดเหมือนจะปิดหูปิดตาเราไว้ให้เดินแต่ว่าไม่ให้ลืมตาเดินวิ่งก็พาวิ่งแต่ไม่ลืมตาวิ่ง นั่งก็ให้หลับตานั่งนอนให้หลับตานอนยืนให้หลับตายืนเดินให้หลับตาเดินทุกชิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาให้หลับตาทั้งนั้นไม่ให้รู้ไม่ให้ดูหน้าของมันพูดง่ายง่ายเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่มันให้นอนคว่ำหน้าให้เจ้าทรัพย์นอนคว่ำหน้าไม่ให้มองดูหน้ามันที่เรกซึ่งเป็นตัวโจรต้นหัวใจเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ให้มองดูหน้ามันด้วยสติ ทำปัญญาธรรมได้เลยปิดหูปิดตาไว้หมดจึงเป็นการลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกที่จะไปรู้กลมายามันดังที่กล่าวมาเหล่านี้จึงต้องได้ฝึกสติอา้าวเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อศาสนาคือคำสั่งสอนของปพุตตะว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลส ทุกๆประเภทคําว่าวิเศษก็คือธรรมเท่านั้นวิเศษวิเศษไปโดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงวิเศษสุดของธรรมก็คือธรรมเท่านั้นกิเลสประเภทใดๆตั้งแต่ใหญ่ๆจนถึงขั้นละเอียดสุดของกิเลสก็ไม่มีกิเลสประเภทใดเป็นประเภทที่วิเศษเลือดเหลืออะไรนะจึงต้องอาศัยธรรมนี้เข้ามาแยกมาแยกมาสอดส่อง มากำจัดปัดยเป่าด้วยท่าฝึกหัดในขั้นเริ่มแรกทุ ก, ก็ยอมทนทุกทุกไม่เป็นไรทุกนี้เป็นทุกเพราะการปฏิบัติเพื่อทำทุกเพราะการต่อสู้กิเลสเพื่ออัดเพื่อทำต่างหากมาจะทุกเพราะถูกกิเลสล่าไปถูไปทุกเพราะการตะเกียกตะกายออกจากกิเลสด้วยอัดด้วยทำต่างหาก จึงเป็นทุกข์ที่ควรจะยอมรับสำหรับผู้เชื่อหรือชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติพยายามตั้ง ส, ส, สงติสัต่างจดจ่อต่อเนื่องกันกันกบงานของตนแล้วจะเป็นการส่องทางเข้าไปจิตไม่เคยสงบก็จะสงบได้นะเมื่อกิเลสจางลงไปจิตย่อมสงบได้คาว่ากิเลสจางคือ คือความคิดความปรุงแต่งต่างๆซึ่งไม่มีคําว่าใหม่ว่าเก่าไม่มีคําว่าเป็นเป็นเดน่นเป็นของล่าสมัยเลยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไมายเอี่ยมมาเสมอจะคิดกี่ครั้งกี่ขนตลบทบทวนจำช้ำสากๆยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกก็ไม่มีการเบื่อนาอิ่มพอ ไม่เห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่เป็นใหม่เรื่อยไปตื่นเรื่อยไปเชื่อเรื่อยไปมีเราพยายามที่จะเราพยายามด้วยสตินำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจะทับความคิดทั้งหลายที่ไม่มีของใหม่ของเก่ามีแต่ของให้ติดทั้งนั้นนี้ให้สงบตัวลงไปด้วยสติจะกำหนดภาวนาบทตใดก็ตาม นั่นแหละทําเครื่องทับความวุ่นวายทั้งหลายคิดคิดได้ในเวลาเดียวทํางานหน้าที่เดียวในขณะที่คิดทำแล้วกิเลสก็คิดไม่ได้นอกจากเวลาความเผลอในการคิดทำเท่านั้นกิเลสก็แทรกขึ้นมาจะแทรกขึ้นมาได้ในเวลานั้นขณะที่เราคิดทำเอาทำลงไปเหยียบย่ากันาปความคิดที่จะให้เกิด ความมุ่นว่าดังที่กล่าวมามีตั้งแต่ความคิดทางด้านอัตธรรมเท่านั้นความคิดตัวนี้เป็นความคิดความปรุงที่จะให้ใจสงบไม่ใช่ความคิดปรุงของจิเด็ที่จะพาใจให้ฟุ้งเป็นความคิดความปรุงที่จะทําใจให้สงบเพราะฉะนั้นคําว่าสังขารคือความปรุงปรุงทางกิเด็เป็นพิษขึ้นมาอย่างหนึ่งปรุงทางด้านธรรมะเป็นคุณของใจทําใจให้ดดเดีย่ยวเช่นอย่งเราปรุงคําบริกรรมเป็นต้นนี่จะเป็นสังขารเหมือนกันก็นกตามผิดกันที่อารมณ์ ซึ่งเรานำมาบริกรรมลึกเราคิดนั้นนี่ก็ย่อมสงบได้เมื่อจิตมีความสงบได้ก็มีความเยน็นเบาสบายนี่ก็แสดงคุณค่าขึ้นมาแล้วจากความสงบทำไมจะไม่เห็นความสงบเป็นของมีคุณค่าเป็นสิ่งที่น่าต้องการมันก็เริมเข้าไป การฝึกเบื้องต้นเป็นความลำบากเป็นหนึ่งต้องเปิดช่องเปิดทางที่มืดเคยมืดนิดปิดตา ม, มานานพยายามไม่นอกเหนือจากความพยายามนี้ไปได้ต่อไปค่อยๆจางไปจางไปสีมืดดํากรรมตาทั้งหลายนะั้นความสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในจิตแต่ก่อนเป็นไฟ ถ้าว่ดดำก่อนเหมือนฐานไฟถ้าไฟมีอยู่ก็แดงโล่นี่จีนหนมันจะเทียบ ว, ว่าแดงโลกก็ได้เป็นไฟทั้งกอมองดูเวลาปกติมันก็ดำไปเองหาความสว่างไม่ได้แต่พอความสงบใจได้ปรากฏขึ้นมาแล้วความสว่างก็ตามกันขึ้นมาปรากฏขึ้นมา แต่นั้นก็เร่งอย่าไปคาดอดีตนาคาคว่าเคยได้ปรากฏได้ประกอบความเปลี่ยนมาท่านนั้นท่านนี้รับความทุกข์ความยน้าความลำบากถ้าจะคิดเช่นนี้ให้ไปให้คิดถึงเรื่องการที่กิเลสทรมานเราบีบบังคับเราด้วนแล้วจะเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นนีเคยทุกข์มามากแล้วทุกข์เรพราะเรื่องนั้นก็เคยทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะเรื่องนี้ก็เคยทุกข์มาแล้วทุกข์ในอดีต กี่ปีกี่เดือนที่เราดึกได้ก็เคยทุกมาแล้วมันล้วนแล้วแต่กองทุกทําให้อินหาละอาใจในเรื่องกองทุกที่เิเรตผิดขึ้นมานั้นดีกว่าที่เราจะมาคิดอินหาละอาใจตอบความทุกขที่กําลังต่อสู้เกเรตด้วยความภาคเปลี่ยนหรือด้วยอัตวิธามของเรานี่จึงเป็นความคิดที่ถูกนํำความคิดนี้มาใช้เปลี่ยนแปลงความคิดของเิเลตนั้นออกใส่ ปูปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีพลิบแพงเปลี่ยนแป ล, ป ล, หลงหลายสรรหลายคมมาอย่างนั้นไม่ทันนะละเอียดมากทีเดียวไปเลยแต่ถึงยังขั้นนี้เราก็ยังไม่รู้กลมายาของมันจะว่าอย่างไรละเอียดขนาดไหนมันตอนได้ทั้งนั้นนะ่ะมันต้องอาศัยทําเป็นเครื่องสอบทางทดสอบความจริงเพราะทำเป็นของติดห้เลยเป็นของปล่า มันปอมอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตจึงต้องแยกแยะเปิดถอยกันออกรวดอุบายต่างๆปรากฏเป็นความเย็นสบายขึ้นมาีอยู่ที่ไหนก็พอดูคนเราเมื่อมีความสบายเท่านั้นนั่งอยู่ก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายิีที่เคยหิ้วหย เรื่อความคิดความตรุงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นโน้เครื่องสัมผัสทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันระงับตัวลงมาเพราะความอิ่มทำคือความสมงบเย็นใจเรียกว่าจิตอิ่มตัวสมาธิอิ่ทําให้จิตได้สบายเป็นตามขั้นของตนนี่พอมีต้นทุนเพราะจิตอิ่มตัว ในระเหเรร่อนไม่หิวก็หายยิงเก้นเพ่นกระโดโดด้วยความคิดความปรุงต่างๆแล้วนำไปใช้ในทางด้านปัญญาอันเป็นฝ่ายทำที่จะนาขี้คลายหรือใครครวประจําทั้งภายนอกภายในเทียบเทียงกันเรื่องเรื่องความเกิดความแก่ความเก็บความตายความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขาร แยกแยะไปดูทั้งเขาทั้งเราทั้งสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาตทั้งสัต์ทั้งบุคคลเทียบเข้าในสัจธรรมคืออริยสัจนี่ก็เป็นปัญญาอ่าไม่สามารถจะพิจารณาร่างกายของตอนได้เอาพิจารณาร่างกายใดก็ตามภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ดังนั้นจะย้อนเข้ามาสู่ภายในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะสัจธรรมความหลบภายนอกก็คือใจเป็นผู้ไปรู้ ถ้าสิ่งที่อยู่กับใจคือร่างกายของเรานี้ทําไมใจจะไม่รู้มันอยู่ด้วยกันแท้ๆนั่งกระย้อนเข้ามารู้จนว่ามันมีการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาต้องพิจารณาไม่ต้องถือว่าสมาธิขั้นนั้นแล้วจะพิจารณาปัญญาถึงขั้นนั้นจริงจะพิจารณาปัญญาอยากห้การปฏิบัติเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดที่จะควรใช้อุบายวิธีใดนํามาใช้ทันที ก็ทําเป็นปัจจุบันทั่วโตอนร้อนอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องมาเรียงลําดับนั่นลำนับนี่บปนั่นมันเป็นเรื่องการคาดการหมายความเพียรด้วยการคาดหมายไม่ใช่ความเพียรที่แท้จริงต้องถือความจริงถือเหตุการณ์เป็นสาคัญในการจะปฏิบัติต่อกันนั่นแหละถูกต้องครับหลักของการภาวนาของผู้ภาวนาให้จริงจังลงเท่นนั้นอีกเมื่อ พิจารณาใหควรลงไปแล้วย่อมจะสว่างขึ้นเรื่อยๆขั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนให้จิตใจสบายสบายอิ่มตัวขั้นปัญญาก็เป็นขั้นเพิกขั้นถอนจะทำให้จิตใจสว่างกระจ่างแจ้งออกไปให้มีสิ้นสุดปัญญาแหลมคมขั้นมากน้อยเพียงไรความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนี้ยิ่งสแสดงตัวออกไป ความสุมราบของปัญญาก็เหมือนกับน้ำรับน้ำสูงไหลไปได้หมดทุกทิศทุกทางไม่เหมือนน้ำที่ไหลลงทางต่ำสติปัญญานี้ไหลทวนกระแสก็ได้ตามกระแสก็รู้ไปได้หมดแต่ไม่ติดไม่พันพิจงอาไปไหนรู้ไปทางนั้นต่อยไปได้ทางนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นจึงเป็นของสำคัญมาก ส, สมาธิปัญญา มันสรุปลงจากมรรคแปดแล้วว่ามีศีลสมาธิปัญญาทัางสองเคราะห์ลงไปศีนสมาธิปัญญานี่อยู่กับใครกันจริงอันนี้มีไว้เพื่ออะไรอศีล ส, สมาธิปัญญาก็อยู่กับเรายิเรศเพราะกิเลศอยู่กับเราอการฝึกสมาธิก็ฝึกแบบที่ว่านี้ศีลเรารักษา ด้วยเจตนาอันชอบธรรมของเราอยู่แล้วจึงไม่จาเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายเพราะต่างองค์ก็ต่างเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนสมาธิเป็นความละเอียดเพราะเป็นขั้นของขำขั้นจึงต้องอธิบายให้ฟังให้เป็นผู้ชอบในบทำบุตรใดให้ยึดหลักให้ยึดทำบุนั้นเป็นหลักของการภาวนา ยาสุมสี่ซุมห้ายาจะจับจดจดปล่อยปล่อยวางวางจะจดจ้องจ้องอันเป็นความลังเลสงสัยนั่นเป็นนิวรนคือความคิดที่หักห้ามการดำเนินไม่ให้เป็นไปเพื่อความสะดวกไม่ให้เป็นไปเพื่อความแน่ใจในงานของตนเมื่อเราเหมาะกับยอดิบในทําบุใดให้คุณนำทาบุตนั่นมา ทำกับรักษาใจหรือภาวนาการเปลี่ยนแปลงของคำบริกรรมนี้เมื่อจิตละเอียดแล้วจะค่อยเป็นไปหากเข้าใจในตัวเองเช่นจิตจนเป็นฐานสมาธิเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วคำบริกรรมก็ค่อยหมดปัญหาไปเเพราะารบริกรรมก็เพื่อจะให้รู้จุดแห่งความรู้ที่แท้จริงเมื่อจิต เน้สร้างฐานตั้งตนขึ้นมาจนเด่นชัดเป็นความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนเล็นตลับตอนนั้นอยู่แล้วการบริกรรมเพื่อจะให้รู้จิตนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองดังที่เคยกล่าวแล้วว่าเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อเขาถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปเองการบริกรรมจรึงมีความจำเป็น เป็นสมาธิแล้วคําบริกรรมที่เป็นสมาธิคือเป็นฐานสมาธิแล้วคําบริกรรมก็หมดปัญหาไปเองรู้อยู่เช่นนั้นคิดตรงเรื่องอะไรก็รู้จากนั้นก็นําความรู้นี้ออกใช้ทางด้านปาัญญาพิจารณาขี่คลายดูเฉพาะอย่างยิ่งสกุลราคายิ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจร ญ, ญาอย่างยิ่งในขั้นในขั้นนี้ แยเียดูให้ดีหลังที่เคยพูดแล้วนี่พูดหลายครั้งหลายหนคำๆสักๆความพิจารณาร่างกายก็ดีผู้ฟังน่าจะเข้าใจน่าจะนำไปพิจารณาได้ทอด้วยความเพราะการพริจารณานี้ไม่เพียงเราจดจำมาได้แล้วเป็นสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ไปค้าถ้าความจริงยังไม่ปรากฏเมื่อไรประโยชน์ยังไม่สาเร็จ จะพี่นากี่ร้อยกี่พันครั้งก็าตามเมื่อยังไม่จิตยังไม่ซึง้งต่อความจริงแล้วยังไม่จักว่าได้ผลเมื่อจิตซึ้งต่อความจริงนั้นแล้วนั่นแหละเรียกว่าได้ผลพอซึ้งที่ตรงไหนมันก็ปล่อยวางของมันคำว่าอุปท า, านยึดมัน่นอะมันยึดอะไรก็เพราะมันไม่รู้จิตที่เลีนั่นละไม่รู้มัน้อะไรไม่ให้รู้ ความรู้ของจิดมันรู้อยู่อย่างนี้แหละแต่ี่เลสให้รู้ไปเสียแบบหนึ่งคือแบบจอมปลอมทีนี้โอ้กิเลสปลอมทํานั้นจริงถ้ารู้ตามความจริงแล้วี่เหลสตัวลปลอมนั้นก็ตกไปหมดมันต้องได้ใช้การทีพิจารณาให้มาจนเป็นที่แน่ใจครับ มันพอตัวแล้วไม่บอกให้ปล่อยก็ปล่อยการพิจารณาปล่อยเองวางเองเพราะอุปทานความยึดมัน่นในร่างกายส่วนต่างๆนี้มันได้ถอนออกตัวไปหมดแล้วเพราะความรู้ชัดนั่นเองความรู้ชัดด้วยปัญญาทำให้ถอนไปได้นี่ที่นี่ยิตมันก็เบิกขว้างเอาไปความสว่างสวัยก็สว่างสวัยที่เรียกก็เบา ลดลอยไปเรื่อยๆจิตก็เบาขึ้นไป เ, เรื่อยๆเช่นพ่เรกความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมันก็หนักเท่ากับกายเนี่ยพอถอนลงมาแล้วมันก็เบาอยู่วัตถุภายนอกมันก็หมดความหมายไปตาม ก, กันกับร่างกายนี่นี้จิตก็พิจารณาดื่มเข้าไปดูดดื่มเข้าไปในนา้มมา เวทนาประสานกันทั้งสิตทั้งกายสัญญาสังขารอย่ญญางใหญ่อันนี้มีแต่อาการของจิตเรื่องของร่างกายก็เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดชักแต่ว่าวัตถุหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นกิเลสแต่อย่างใดเนี่ยมันรู้แล้วนะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่กิเลสมันเป็นธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้นมันรู้ได้ชัดไม่ใช่ตัวราคะ ร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่ราคะโทสะโมหะมันไปพาดพิงมันไปแทรกไปซึมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้ จ, จึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกิเลสตัวราคะโทสะโมหะไปเท่านั้นความจริงจิตต่างหากเป็นอันนี้ไม่เป็นพอพิจารณารู้ได้ชัดแล้วมันก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งๆเท่านั้น ร่างกายนี้ก็มาจากธาตุดินผสมกันกับน้ําะดินกับน้ํามันเป็นกิเลสเมื่อไหร่มันเป็นตัณหาเมื่อไหร่ใจตังหาเป็นกิเลสตัณหาไปเจี๊ยบแทกนุ่นแทรกนี่ให้ผู้นั้นเป็นไปด้วยให้ผู้นี้เป็นไปด้วยเอให้ผู้นั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะไปเพกิเลสใจกิเลส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ภายในใจนี้มันออกไปฉุดไปลากให้สิ่งนั้นเป็นไปตา พอปัญญาแทรกเข้าถึงไหนถึงไหนสิ่งที่ไปแทรกคือมักถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปสู่อุโมงค์ของมันแล้วก็เห็นตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ชัดๆตามหลักความจริงมันว่าหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเออร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายทุกส่วนหรือว่าจะเป็นว่าเป็นดินก็เป็นดินล้นลวนเป็นน้ำล้นล้วนเป็นลมเป็นไผ่ล้นล้วนมันเป็นกิเลสตัณหาที่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเปลี่ยน มันพิจารณาลงขนาดแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตลนั้นมันก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปนี่แหละที่ว่าพิจารณานเพื่อตอีตน้นกิเลสที่มันลุกลามไปยุดึดเน้นยุ ด, ดนี้สําคัญนั่นมัน่นหมายนี่ให้สิ่งต่างๆปเป็นพิษเป็นภัยไปไ ป, ไปตามมันแล้วทีนี้ก็แยกเมื่อแยกออกมาแล้วสิ่งต่างๆก็กลายเป็นความจริงขึ้นมากิเลสตัวมันต่อมก็ถอยตัวเข้าไปก็ไล่ตัวเข้าไปะรอพุดถึงเรืเวทนาเวทนาคือความทุกข์นี่มันเป็นกิเลสเหลือนั่น มันเป็นผลของกิเลสต่างหากไม่ใช่กิเลสเนี่ยมีพิจารณาจริงๆทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เช่นทุกข์ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆนั่นก็สักแต่ว่าทุกข์ตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีความหมายเลยว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายเองก็ไม่ใช่ทุกข์มันไม่รู้ความหมายของของของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์แม้ที่สุด มันไม่ลู้ขวามมายมันว่ามันเป็นร่างกายโดยมี่ใจใจทั้งนั้นเป็นผู้ไปให้ความสํองการมั่หมายนี่เวลาพิจารณาเข้าไปทีจนร า, ามันจึงต้องย่นเข้าไปย่นเข้าไปเห็นความจริงที่ตรงไหนแล้วกิเลสตัวปลอมๆอยูอ่ไม่ได้ต้องถอนทับไม่ถอนทับประหลกเนี่ยี่วังไล่นเข้าไปไล่เข้าไ ป, ไาไปหามหากิเลสในรูปนี้ตรงไหนก็ไม่เห็นเป็นกิเลส อเป็นกิเลสตัณหาราครับตัวสามหัมันไม่เห็นหนีไม่เป็นไล่เข้าไปถึงเวทนาความสุขความทุกข์นี่หลือมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่สัญญาก็เป็นความเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาตัวสัญย์จริงมาเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่ถึงเวลาพิจารณาเข้าไปสู่ความละเอียดแล้วตอนมันยากมันเป็นไปื่อใกันหมดนั่นะอืะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสไปหมดเพราะกิเลสส่วนใหญ่พาให้มันเป็นเหมือนกับไป ทาสีไม้สีอะไรไม้มันไม่ได้เป็นสีนั้นแต่แต่เอาสีไปทามันกลายเป็นสีน้ําสีนี้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่เวลากิเลสเข้าไปย้อมไปแฝงไปฉาบไปทาแล้วก็เลยกลายเป็นกิเลสไปหมดทีนี้เมื่อช้าเมื่อล้างเนี้อออกไปแล้วไม้มันก็เป็นไม้ธรรมชาติของมันสีเป็นสีธรรมชาติของมันร่างกายทุกส่วนเป็นธรรมชาติทั้งตัวเองเวทนาคุณจำสุขความทุกข์มันก็ เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเข้าไปเลยเลยสังขารก็เพียงคิดเพียงปรุงเท่านั้นแม้แต่พระกินาศพท่านปรุงได้สังขารมันไม่เป็นกิเลสถ้ากิเลสไม่พาให้มันเป็นสัญญาของมันกัดไม้ได้จําได้จําถึงนั้นสิ่งนี้ได้พระอรหันต์ท่านจําได้พทะเจ้าท่านก็จําได้ท่านอาศัยสัญญาสังขานี่แหละทาประโยชน์ให้แก่โลกเมื่อท่านจิตท่านไม่เป็นกิเลสจิงอนี้มันก็ไม่เป็นมันเป็น กลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปเสียเท่านั้นแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสและกิเลสยึดว่าเป็นตัวกิเลสอีกด้วยพาให้เป็นกิเลสพาให้เป็นตัวของมันอกีกด้วยแย่ก็ไปแยกก็ไปอันไหนก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อพิจารณาทานด้วยปัญญาแล้วทีนี้อะไรเป็นกิเลสเนี่นคือปัญญาถึงขั้นละเอียดมันตามต้อนเหินเข้าไปนี่ซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปซึ้ซซซซมทราบเข้าไปนี่จึงเรียกว่าความจริงเห็นความจริงแล้วถอนไปหมดถอนไหมด ถอนเข้าไปถอนเข้าไปไม่มีที่อยู่ยิ่งจะจะไปแฉกอยู่กับรูปกับกาก็แฉกไม่ได้เพราอทำของกินเข้าถึงแล้วว่ามันเป็นความจรินของมันแต่และอย่างละอย่างท่านั้นไม่ไม่ใช่ยิเ่งเนี่ยมันก็ไม่ติดใจตรงนั้นนล่นล่เข้าไปแล้วมาตั้งถึงตัวจิตมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าไปสู่จุดใหญ่ของมันเท่านั้นเองอาศัยที่ไหนก็ถูกไล่ถูกต้อนั้งหมดถูกปราบตามจากสติปัญญาไปหมด ถ้าไรมันก็ินสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตจิตนี่แหละเป็นตัวโทษเป็นตัวกล่าวตู่นั่นตูน่นี้เป็นตัวยึด ต, ตัวถือจิตนี่แหละจิตนี่แหละคือกิเลสมันอยู่ในจิตก็ต้องเป็นจิตนี่แหละจิตนี่แหละหาวค้นเข้าไปเมื่อมันไม่ไ ม, มีที่พิจารณาแล้วมันก็ไม่พิจารณาอันไหนที่พอแล้วอิ่มแล้วรู้แล้ว มันสัมผัสสัมปัตสัมพันธ์มันติดใจตรงไหนดูดดื่มตรงไหนมันก็ต้องเข้าตรงนั้นเจาะเข้าตรงนั้นสติปัญญานแล้วมันจะหนีไปไหนอลงปัญญาสติปัญญาอันเป็นความปีนเข้าไปถึงไหนแล้วถึงจอมปลอมมันต้องแตกทลายไปหมด น, นี่สิมันจะอยู่ในใจมันจะฝังลึกขนาดไหนฝังอยู่ใน ใ, นใจอาใจจะพังไปด้วยทิพาไปด้วยในการปราบขี้เลเดชซึ่งอยู่ในหัวใจนิคายมันรู้ ไม่สงวนอจิตจะดับไปพร้อมกับกิเลสแตกกระจาดกระจายไปก็มันดับอเมื่อกิเลสก็ดับไปใจก็ดับไปด้วยมันจะกลายเป็นหัวต่อขึ้นมาก็ให้รู้เพราะเราต้องการรู้ความจริงความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จะให้ใหรูให้รู้มันอย่างนั้นนี่สุดท้ายมันก็พังแต่กิเลสเท่านั้นใจไม่ได้พัง น, นี่แหะทุกวันกิเลสหมดไปแล้วใจกินบริสุทธิ์ทิ้ เหตหายไปหมดหายหน้าไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์จนล้วนสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดให้เสียเรือ่อเวลาพอถึงตัวกินเต็มส่วนแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปเท่านั้นความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุด น, นี้นั้นเป็นปุ๋ยส่งเสริมจิตใจให้มี คุณค่าเป็นลําดับตําดาจนกลายเป็นใงที่ประเสริฐเลิื่อไปได้ดังที่กล่าวมานี้ผมขอให้่า น, นักปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาด้วยความจงใจคําว่าภัยเป็นภัยแท้ยาเข้าใจว่าเป็นคุณเชื่อนักปราบอย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่ลมจบแต่ถ้าเชื่อที่เลนแล้วก็ลาบากมากโดยลําดับ ตามความเชื่อที่มีหนักเบามากน้อยเนี่เชื่อทำเชื่ออย่างนี้ที่เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วนั้นปัญหาทั้งมวลก็เปนว่าหมดไม่มีเหลือแล้วในขณะเดียวกันก็ทราบได้ชัดว่าปัญหาทั้งมวลมีมาจากอะไร ก็ลงในกิเลสโตหมดมีกิเลสเท่านั้นเป็นเจ้าปัญหาเป็นผู้ยุ่ยแยก่อกวนนานพอกิเลสทางหนึ่งไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนร่างกายมันจะเกิดความทุกข์ความลําบากด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ตามความจริงของมันเมื่อได้ไปยึดไปถือไม่ได้เป็นความกังวลวุ่นวายภายในจิตใจเพราะความกังวลเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสขึ้นไปหมดแล้วก็มีแต่ความจริง มีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาในอวัยวะส่วนไหนก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแสบล้อนก็เป็นทุกข์กระก็รู้ตามเป็นจริงเสียโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปไปเส็จไปสรรอะไรมันอีกเพราะเป็นความจริงล้วนอยู่แล้วด้วยกันทั้งกิตทั้งกายนังทิพนวะในสติปัฏฐานสี่เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มที่แล้วกายก็จับแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนา แต่จิตก็สักแต่ว่าจิตน่าสร้างอิตธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเป็นอาการไปทั้งหมดเลธรรมชาติที่ไม่ใช่อาการก็เป็นตัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อถึงที่นั่นแล้วไปไหนอีกแต่ไปที่ไหนจะอยากอหไรอีก เหมือนดังจิตที่เข้าถึงความหลับสนิทแล้วจะอยากอะไรอีกอคนนอนหลับไม่หิวไม่โหยไม่อยากอะไรทั้งนั้นตออหมดคนนอนหลับสนิทิตที่จิเลตมันคิดหายไปโดยสนิทก็เช่นเดียกันเช่นเดียวกับไม่ได้หมายถึงว่าจิเลตหลับสนิจิเลตตายสนิทผิดกันกับคนนอนหลับจิเลตก็หลับเวลานั้น กิเลสพักตัวแต่จิตที่บริสุทธิ์นี้กิเลสดับเน่าเอาอะไรมาห่วงอะไรมาห่วงเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลกิเลสหมไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอีกก็เท่านั้นจิตเมื่อจิตเป็นธรรมล้วนๆกับจิตที่มีแต่กิเลสบังคับอยู่ล้วนๆต่างกันยังไร รู้เองเห็นเองสงสยัยอสันทิิโกรู้เองมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเดิมแลกจนถึงขั้นริมูหลุดพ้นปัจจตังเมติตะโบวินยูหีท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำพอตอนคือจาเพะนี้แนหะจำเพะที่รู้ที่บริสุทธิ์ต้องห่วงหรือเวลานี้เรามา บวเป็นพระเป็นเนรที่จะทำหน้าที่เพื่อความเป็นที่ดิมงคล น, นะเป็นมีคุณค่าแก่ตนเองอยู่แล้วก็ขอให้พยายามทำเป็นทัศนคติกำลังความสามารถในเวลาที่เป็นการอันควรอย่างนี้เพราะคำว่าการนี่คำว่าเราก็เป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงย่างยาผันแปรไปได้ ทั้การไปกันมาความเป็นอยู่กระโดดถึงการความตายไปเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเป็นกําหนดกฎหมายได้เลยมันเป็นอยู่กับธาตุกับขันกับตัวของเราแต่ละท่านละท่านนี้เองมันเป็นไปอย่างนั้นแม้เคยเป็นมาแต่การไหนเป็นมาจนสร้งบัตรนี้ยังจะเป็นต่อไปอีกจึงไม่ควรไว้ใจกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้ถือปัจจุบันเป็นหนักสําคัญที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ตน ตามทียังทำก็เห็นมาซึ่งควรจึงขออุทิศเพีย ง, งท่านี้